วันนี้ก็ขอแนะนํากรรมฐานกับบรรดาตเปนพุทธบริษัท <c oughs> กรรมฐานจริงๆก็ไม่มีอะไรมากมากีเที่ยวแท่กกันนี่ะ <c oughs> เกิดแก่เจ็บตายกรรมฐานจริงๆมีเท่านี้นะ <c oughs> ตอนนี้ก็มีว่าการปฏิบัติกรรมฐานที่จะได้ผลจริงๆก็ต้องพร้อมองสามคือหนึ่งศีลสองสมาธิสามปัญญา ต้องมีพร้อมๆกัน <c oughs> ถ้าขาดสินสมาธิก็ไม่เกิดถ้าขาดสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดถ้าเรามีสินบริสุทธิ์จิตใจเยือกเย็นสมาธิเกิดเองเพราะว่าสินจะมีได้ก็ใช้คุณธรรมสองอย่างคือเมตตากรุณาเมตตาคือความรักกรุณาความสงสาร เ, เมื่อตตาความรักกุณาความสุสารเกิดขึ้นจิตใจก็เยือกเย็ยนนะไม่เหมือนความโกรธโกรธมันร้อนรั ก, กมันเย็นสงสารมันเย็นใช่ไหมเปิดความเยือกเย็ยนของจิตเกิดขึ้นสมาธิก็เกิดความมุ่นวมายก็น้อยไปทีนี้เมื่อสมาธิเกิดจิตก็มีความสุขเมื่อจิตมีความสุขปัญญาก็เกิดถ้าปัญญาเกิดขึ้นมาได้เมื่ อ, อไรเราสามารถตักกิเลสได้เหมือนนั้น <c oughs> นี่พูดก็อย่างพาาาระอรหันต์นัานพูดนะพุทธเจ้าจะหดไวทีนี้การปฏิบัติปัรดาแต่พุทธบริษัทการมรุกมรขนอสายบารมีถ้าบารมีเรายังไม่เต็มเพียงใดจะไปอรหันต์ไม่ได้จะไปอาหารหันต์ได้ไาาไดเสมอมีบารมีเต็มนคําว่าบารมีนี่ก็แปลว่า ก, กําลังใจเต็มจะไม่เรียงบารมีส <c> ิ <oughs> ก็ตรงความว่าถ้าเราจะปฏิบัติจริงๆก็คือหนึ่งสินแล้วเรามีเราต้องมีกำลังใจเต็มด้านสินสินต้องพร้อมโดยเพพาะอย่างยิ่งสินห้ากับกรรมบิดติที่สามารถทรงได้ถึงพระโสดาบันกสิทธาคารมีสินแปดทรงความเป็น อ, าาอานาคามีได้ถ้าสินสองร้อยีิเจ็ดถ้าสินสิบเป็นอรหันต์ได้ไเลยคือผู้หญิงเป็นไม่ได้ทาไม ครวบเป็นอรหันไม่ได้หร่ว่าไม่ได้ก็ไม่ได้เนะเป็นได้แล้วก็ถ้าเป็นวันไหนนิ่ผ่านวันนั้นกลัวความมัาครวบไหวก็ไปอรหันได้เหมือนกันไม่ว่าจะสินในเมื่อสินมีแล้วสมาธิก็เกิดเป็นสมาธินี่มันต้องฝึกเหมือนกันถ้าไม่เกิดเองมันก็เกิดเบาๆถ้าเกิดเบาๆมันจะมีความหวั่นไหวมากก็ต้องมีการฝึก การฝึกสมาธิก็เป็นการฝึกง่ายๆจำคำไม่เดียวสมาธิแปลว่าความตั้งใจ <c oughs> สมาธิท่านแปลว่าตั้งใจมั่นคือตั้งใจให้มั่นคงในจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะในสำหรับนักปฏิบัติกรรฐานกรรมฐานมีสี่สิบกองกองที่มีเป็นกองแม่ครอบคุมกองอื่นทั้งหมดคืออนาปานนสติ นั่นได้ใจลมให้ใจเขาออกต้องคุมกองนี้ให้อยู่ถ้าคุมกองนี้อยู่ได้นานเพียงใดสมาธิทรงได้เพียนั้นอ <c oughs> ถ้าคุมกองนี้ไม่อยู่สมาธิกองอื่นตั้งไงก็ไม่อยู่จะไม่ดีนะลมหายใจเขาออกี่ไม่ยากนะให้ใจเขาออกทุกวั น, ว, น, นวันนับวันนับครั้งไม่ถ้วนนะจะลืมดู พวาเราให้ใจเข้าออกทุกวันเขาจริงแหละแต่ว่าเราเลื่มคิดทิ้งลงให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้าจิตรับทราบว่าเวลานี้ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกจิตรับทราบวลานี้ให้ใจออกสมายความรู้อยู่รู้ให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกขณะใดที่จิตรู้ลงให้ใจเข้ารู้ลงให้ใจออกเวลานั้นจิตเป็นว่าเป็นสมาธินานาปานุสติ ไปถามว่าจิตยังคิดอย่างอื่นอยู่บ้างก็ต้องบอกว่าขั้นหะที่รู้ลงเข้าลงออกแล้วจิตไม่คิดอย่างอื่นถ้าจิตคิดอย่างอื่นอยู่จิตจะไม่รู้ลงเข้าลงออกได้คิดควบได้ทีค่ควบอย่างาวนาวพทุทโธเวลาให้ใจเข้าเรานึ ก, กว่าพุทธที่ตามลงให้ใจ เวลาหาใจออกเรานึ ก, กว่าโทอย่านี้จิตไปสมาธิในพุทธาทัศนี ด, ด้วยอนาปาทัติีด้วย <c oughs> ได้เป็นสองอย่าง <c oughs> นี่การจเรียนกรรมฐ า, านเจเรียนกรรมธรรมัความมุ่งหมายของพระเจ้าก็คือต้องการทุกคนพ้นทุกข์ไปนิพพาน <c oughs> นี่การที่จะไปนิพพานได้จะใช้แต่สี่งทัศสมาธิทั้งสองอย่างไปไม่ได้ กสมาสิก็ดีสมาธิก็ดีจะสงเคราะห์คนได้แค่สวรรค์กับพุทธโลกจะถึงนิพพานไม่ได้ต้องใช้ปัญญาด้วยปัญญาใช้ตรงไหนใช้ตามความเป็นจริงความจริงไม่ต้องไปเปิปดตาดูความเปนจริงว่าคนทุกคนที่เกิดมาได้มีสภาพทรงตัวไหม คนทุกคนไม่มีสภาพส่งตัวที่กล่าวว่าเป็นนิจจังมันมีความแก่ขึ้นทุกวันถ้าเป็นเด็กเป็นเด็กโตขึ้นมันหมายถึงแก่ขึ้นต่อมาที่เป็นหนุม่มสาวความเป็นเด็กก็สลายตัวไปความเป็นหนุ่มสาวปรากฏ <c oughs> หลังจากความเป็นหนุ่มสาวหายไปความกลางไปไวยกลางคนก็ปรากฏเพื่อวัยกลางคนหายไปความมรณแก่ก็ปรากฏ เมื่อเขแก่หายไปผีก็ปรากฏเรื่องไหนใช่หใช่ไหมแล้วาตายไิผี <c oughs> นี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องคิดตามตามที่พระพุทธเจ้าสมใจกับ พ, พระนางภูบารันธาเล่านินทานดีกว่านะดีไหมนี่นิทานนี่เป็นพระสูตรไม่ใช่นิทานนิสังขิณ น, นะ <c oughs> นี่พูดเรื่องนี้พูดให้เข้ากับเรื่องนทานเพราพระสูตรเขาหนุนบาลันธา ด้วยความมีอยู่ว่ามาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรลภไปเสดสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเอาให้ดีกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงคลอดจากคันบัมานดาได้เจ็ดวันบัมบารดาหรือพระเจ้าแม่ก็ตายเขาถือว่าถ้าคนผู้หญิงคนใดคันใดถ้าพระพุทธเจ้าเกิดคันนั้นไม่ควรกัตริย์อื่นจะมาเกิด แม่ก็ตายตายแล้วไปเกิดเป็นเจวดาบานสวรรค์เจ้าดุสิตไม่คือไปเป็นผู้หญิงนะเลิกเป็นผู้หญิงกันเป็นผู้ชายต่อมาพระเจ้าพ่อก็อนหนาวยังไงอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเปลี่ยวกายแสนสบายสไา่สนุกใช่ไหมก็เลยได้พระนางนางมาเป็ น, ป, น, ป, นปัญญาเน้นต่อมาพระนางนางพระเจ้า ก, ก็ทรงมีลูกสองคนคือคนโตชื่อเรียว่านันทะ คนน้องชื่อวรูราันธาต่อมาในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเสัสมามธัธรรมปุติยานเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ภายหลังพระเด็จไปกรุงบิตนพัตน์มหานครก็มีหมู่พระสุยญาติบวชตามกันเป็นแถวในที่สุดพระนันธาก็บวชพนากีสาโกตมีพระน่านางก็บวชด้วยก็เหลือถ้ามานาโรบาันธาลูกสาวคนเล็ก เหลือคนเดียวนัมบรนาโรบาันธาก็คิดว่าความจริงท่านถือตัวท่านสวยคือ <c oughs> คิดว่าเวลานี้พระยาของเราต่างคนต่างบวชหมดเราก็จะบวชตามญาติคือการบวชนัมบนาโรบาันธานี่ไม่มีศรัทธาคือไม่ได้มีศรัทธาในการบวชแต่ว่าบวชตามญาติเพื่อบวชก็บวชกัน พอบทแล้วก็ไม่ไม่ตั้งใจจะฟังเทศจากองค์สมเด็จพระสัมมาทัฏฐาจารย์ทั้ <c oughs> งนี้ก็เพราะว่าได้ฟังข่าวจากวันดาพุทธนาวิสุณีบ้างวันดาวาสุวัติกาบ้างพราพระพุทธเจ้าทรงเทศตำแหน่งรูปสวยแต่ควานยีพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตำแหน่งรูปสวยเจริญเพียงบอกว่ารูปใบเที่ยงแฮะมันสลายตัวในที่สุดมันเรียกว่ามันแต่มันเปลี่ย น, น, น, นแปลงไป แล้วสลายตัวในดี่ส <c oughs> ุดแล้วก็นางถือบริาการตําหน่งลูปเมื่อไม่อยากไปฟังเทศแต่ต่อมาใบวันหลังวันหนึ่งพระโกนางพิสุณีฟังเทศอจากพระเจ้าแล้วก็มาคุยกันทุกคนต่างชื่นชมความดีที่พระเจ้าทรงเทศมีความอิ่ม อ, อกอิ่ใจปนางรู้ประทังเทาก็ถามว่าใครเทศเขาก็บอก ว, กวก่าพระเจ้าเทศก็อยากจะไปฟังบ้างเรื่อนี้จะแปลก จ, จะกมงคนส่วนิดหนึ่งเลย ในบางคนนี่ยบอกว่าก็นางรูปนันทนาเป็นชายยาพระเจ้าประเสนีพิโกศลแต่ว่าธรรมบทไม่บอกเป็อย่างนั้นนี่เล่าตามเรื่องธรรมบทเมื่อบุตรเราไปจ่ายบุญดางวิสุณีตั้งหลายก็เล่าไปฟังพระเจ้าของที่เค้าก็อยากจะฟังบ้างแต่ไม่อยากจะปรากฏตัวให้พระเจ้าพี่เห็นก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราปรากฏตัวให้เจ้าพี่ใหญ่เห็นเพราะเราถือว่าเราเป็นคนสวย ถ้าก็จะตําหนิลูกของเราเราเป็นคนสวยแล้วไม่ชอบแล้วก็จึงบอกนางพิสุนีทั้งหลายเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะไปฟังเทศด้วยบรรดานางพิสุณีทั้งหลายก็ดีใจ <c oughs> คิดว่าวันพรุ่งนี้อาศัยพนาโรบัญทาเป็นเหตุจะทําให้สำเร็จเพ ร, ระเรามาโลกเทศเทศเป็นกรณีพิเศษในแม้ถึงเวลานางก็ไปไปก็อยู่กลางกลางกลางของบรรดาพระพิสุนีทั้งหลายไม่ต้องการพระเจ้าเห็น ถ้าว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบก่อนแล้วหนึ่งวันใช่ไหมไม่ทันจะไปเพีงคิดว่าจะไปรู้แล้วแอบได้เลยแอบได้ไหมแอบได้ไปเห็น <c oughs> ตอนที่เป็นนางรูปนันทาจะไปพระเจ้าก็สรงคิดว่า น, น้องสาวของเรา <c oughs> เธอถือตัวเป็นคนสวยพรุ่งนี้จะเทศยังไงเธอจิงะมีความความเข้าใจควา ม, วามสวยเป็นของไม่แน่นอน ให้ตัดความติดในสวยก็สุนธรมิตว่าน้ำยอดต้องเอาน้ำบง่งใอ้ขันใส่หน้าไปไหนมันเขาบ่งน้ำมันเขไม่ใส่หน้านะเขาต้องจ้องเขาจ้องหน้าเป็นน้ำยอดต้องเอาน้ำบง่งที่ก่อนนี้นนเป็ น, นางรูปตาตาเขไปส่นนี้หลายเจ้เข้าไปพระเจ้าก็สุนธรมิตรรูร่างผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณเพียงปี <c oughs> มีความสวยกว่าครูบรรทมามากนุ่งผ้าสีแดงแต่โซนเสื้อหัวผมผ้าสีอะไรบาลีไม่ได้บอกยืนถวายงานพัดอยู่ข้างพุทธเจ้ายืนอยู่ใกล้ๆพัดพระพุทธเจ้าพนางครูบรรทาก็าไปเห็นก็ตกใจ <c oughs> ตามคำเล่าลือเขากล่าวว่าพระเจ้าทซนตําหนิในรูกรูปเป็นของไม่เที่ยงรูปมีความเสื่อมรูกเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ รูปสลายตัวในที่สุดแต่ในเมื่อพระเจ้าพี่ตำแหน่แบบนั้นและผู้หญิงคนนั้นนมันสวยกว่าเรามากเราเองความสวยวเราเองไม่สามารถจะไปเทียบกับตำแหน่งขงเธอได้เลยแล้วก็สามารถยืนข้างพระพุทธเจ้าได้แสดงว่าพระเจ้าไม่ได้ดังเกียรตในรูปความชื่นใจกับปรากฏใช่ไหมความเย็นใจปรากฏในเมื่อความเย็นรใจพระเจ้าทรงเทศเรื่องร่างา <c oughs> กายกายะตาโนสติ <c oughs> ทั้งทังที่แอบอยู่แล้วนะท่านบอกลูบันทาคือแอบแล้วนะแอบที่ส่งเขาแล้วเขาบอกลูบันทาเธอจุญยากสนใจในโลกมากเกินไปรูปเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นก็มีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาจากความเป็นเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาวรูปผู้หญิงคนนั้นก็เป็นสาวตามเดิมต่อไปจากสาวน้อยก็เป็นสาวมาก ผูดูหญิงก็ดันตอนต้นอายุประมาณทีหกปีพอพระเจ้าพูดตอนนี้พูดหญิงคนนั้นก็เหมือนกับอายุยี่สิบปีตอห่างแย่พระนางรูปันธาดูสังเทศด้วยดูรูปหญิงคนนั้นด้วยก็ไม่แปลกใจว่าเชื่อ้มันเด็กกวเรานี่ทำไมถึงโตขึ้นประมาณอยุยี่สิบปีต่อไปองค์พระเดชดฏินาสีก็สงับ จากสาวใหญ่ก็กลายเดินกลายเข้าไปใกล้ๆความไไวัยของค น, คนกลางคนรูปร่างผิวหน้าก็เปลี่ยนแปลงตามไปปกติ <c oughs> <c oughs> นะถ้ า, ถ า, ามาถึงวัยกลางคนต่อไปพระเจ้าตรัดว่ามาถึงวัยกลางคนแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือหนึ่งผมผมบางเส้นเริ่มจะขาวต่อไปอยิมากเข้าขาวมากเข้าท่านพูดอะไรมันก็ขาวมากเท่นั้นในสุดกขาวหมดหัว พนารูปันธะก็แปลกใ จ, ใจว่อาอีกหญ่คนนี้มันเด็กเมื่อกี้เลยทำไมันเป็นอย่างนีไปได้ดไหรอวะแล้วก็ต่อไปฟันมันก็จะหมดไปหากทียรซี่สองที่แยกกันขล้อก็จะหน่อยสองหน่อยใสก็หมดในสุดความแก่ความเหี่ยวของหนังก็เกิดคือเกิดขึ้นความคล้อมกายจะหมายความยืนตรงไม่ไหวต้องหลังโงกงสิ่งนั้นก็หลังโกงตาม ในที่สุดความแก่เกิดขึ้นนานๆเข้าความตายก็เมาไปถึงห้องยนั่นล้มตึงตายเลยต่อมาร่างไอ้ร่างกายก็เป็นเหยื่อของแรงของการแรงกายก็มาจิกกินแรงร่างกายยายคนนั้นพระนางรูปนันทามองเข้าแบบนั้นก็มีความรู้สึกมั่นใจว่าร่างกายมีสภาพไม่เที่ยงจริง <c oughs> มีการเปลี่ยนแปลงจรงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงในระหว่างแก่ไปทีละ น, น้อยแต่น้อย ทุกเสียงทุกอย่างเสียงไปทุกวันตามวัยเวลาตามวันเวลาในที่สุดก็ต้องตายแบบนี้ก็ริ้สึกโัวว่าขึ้นขี้พราความตายมีกับเราแน่เมื่อมีความรู้สึกเพียงเท่านี้องค์สมเด็จพระจินสีลูกของทรงทราบว่าเวลานี้รูปบรนทารน้องสาวของเราเป็นระโสดาบันแล้วเห็นไหมพยากเลย องสมเด็จก็กระตี่แก้งองคิดว่าแค่กระโสดาวันนี่มันยังไม่พอยังไม่สามารถจะตัดความทุกข์ได้ทั้งหมดเป็นเพียงว่าปิดกั้นอายภูมิเท่านั้นต้องให้รูปรนันธาไป็นอรารามในวันนี้ <c oughs> ฉะนั้นองสมเด็จไปที่นั่เสียงแต่ว่ารูปรนันธาดูก่อนรูปรนันธา เธอจึงมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายของคนข้างเราก็ดีร่างกายเขาบุคคลอื่นก็ดีร่างกายเขาใส่ก็ดีวัตถุท่าต่างๆก็ดีไม่ใช่ของคนยึดถือเพราะมันมีสภาพไ่เที่ยงเกิดขึ้นในเบื้องต้นก็มีความเสื่อมไปในท่ามกลาง ม, มีการสลายตัวในที่สุด <c oughs> เธอจงไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเปของเราเราเรามีในมันมันมีในเราพระนางรูปนันทาคีดตามนี้ก็บราราลุอรรถศผลทเป็นพระญาติขบงคนสูงสุดในพุทธศาสนาก็เป็นว่าเอาเรื่องนี้มาพูดจักับรรดาญาโจรพุทธวิสัชน์ก็คืนหนึ่งแก้เมื่อยชั่วคราวพอหายเมื่อยไหมเนืคลายเมื่อยชั่วคราว กระบวนการสองเรื่องนี้เป็นกรรมฐานเป็นกรรมฐานใหญ่เ <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าสมบัตที่เป็นในส่วนแรกเป็นกายยกระตารสติกรรมฐานคือกายยกระตารสติกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานของพระอนาพระอนาคามีและพระราหารันควรทําสูงสุดมากคือกีราิร่างกายร่างกายเราถ้าเรามองไม่เห็นก็มองร่างกายคนอื่น ร่างกายก็เลยจะมีสภาพเที่ยงหรือไม่เที่ยงแต่เขาไม่เที่ย ง, งเราเขาก็ไม่เที่ยงคนที่เกิดพร้อมเราสมัยก่อนเป็นเด็กเวลานี้โตขนาดไหนเราก็โตขนาดนั้นเวลานี้เขาแก่ขนาดไหนเวลาเราก็แก่ขนาดนั้นที่เท่าเช่นเดียวกันแล้วก็ดูคนที่ถึงที่สุดของชีวิตว่าคนที่เกิดเป็นเด็กตายไม่มีไหมเราต้องตอบว่ามี คนที่เกิดที่หลังเราเล็กน้อยตายแล้วมีไหมก็ต้องตอบว่ามีเพราะว่ามีจริงๆคนที่เกิดพร้อมกับเราตายแล้วมีไหมเราก็ต้องตอบว่ามีเพราะเราเคยเห็นคนที่เกิดก่อนเราตายเราตายแล้วมีไหมเราก็ต้องตอบว่ามีทั้งนี้เพราะอะไรว่าความจริงของการเกิดเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในธรรมการมีการสลายตัวเป็นอดีสุต แล้วใครเคยเหว่าคนที่ตายไปแล้วมาช่วยคนเบื้องหลังทํางานมีไหมฝันมีไหมมีที่บ้านเองไหมเขาจะมารักของไหมไม่ขโมยทุกคนที่ตายไปแล้วก็หายไปเลยว่าไหนมันมีอีหรอคนนั้นใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่เขาไม่ได้กลับมาอยู่ที่บ้านเดิมนะเขาไปอยู่ที่อืน่น นั่นคือหมายความว่าถ้าเรามีบาปอกุศลไป่จำใจก่อนจะตายจิตคิดถึงบาปอกุศลอย่างใดหนึ่งเราไปอบายภูมุถ้าจิตคิดถึงความดีนิดหนึ่งเล็กน้อยจะเป็นพันก็ดีสิ่งก็ดีผลเสื่อมผลพระก็าำอย่างนี้ไปสวรรค์ถ้าจิตมีความมั่นคงก็ไปธรณีโลกนี่ไม่ด้านสมถะภาวนา ท่านีที่พู้เจ้าทรงตรัสว่าโลภนันทาเธอจงอย่า ย, ยึดถืออะไรทั้งหมดจนอย่าคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราก็ตามในร่างกายคนอื่นที่เป็นนี้พึ่งของเราแล้วมันไม่มีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาในโลกมันสลายตัวหมดเอาใครไปที่พึ่งไม่ได้ยงไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของเรา ในเมื่อมีชีวิตอยู่เราอาศัยมันเราต้องมีเราต้องมีบ้านเราต้องมีเงินใช้เราต้องมีของใช้เป็นของธรรมดาไม่มีชีวิตส่งตัวอยู่ต้องมีต้องหาถ้าไม่มีก็หาหามาได้แต่ไม่มากพอก็ต้องหาต่อไปหาเพื่อความม่อยู่เป็นสุขแต่ก็ต้องคิดถึงความมันจริงว่าทรัพย์สมบัติตหมดนี้ถ้าตายแล้วเราก็หมดสิทธ์ คนอยู่เบื้องหลังเขาครองต่อไปแล้วคนเบื้องหลังที่ครองก็ตายต่อไปอีกไม่มีใครสามารถจะครองทรัพย์สินได้อย่างจริงจังฉ <c oughs> ะนั้นทรัพย์สินนั้นหลายมีความสำคังขณะที่มีชีวอยู่เราต้องหาเราต้องกินแต่ต้องคิดไว้ทุกวันว่าทรัพย์สินนั้นหลายแล้วนี้เรากับวันไม่ช้าก็จากกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์ที่เรารักมากที่สุดนั่นก็คือร่างกาย ต้องมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้ไม่สักวันหนึ่งขา้างหน้าจะเป็นวันนี้ก็ได้ผงนี้ก็ได้เมื่อไรก็ได้มาจะตายได้ดีไม่ดีโลกไหลาตายอาจจะมากรุงเทพก็ได้ใช่ไหมที่จะไปหาเจ้าครอบตรงไม่ได้นะกันผีไม่ใหม่ก <c oughs> ็เป็นว่าความยิ้ พ, พวไหลาตายใช่วมาดีนะถ้าตายแบบนั้นนะ่ะ <c oughs> ถ้าพูดตามส่วนถ้าเราเป็นคนนักบุญแบบนี้ทุกคนที่นั่งอยู่ทุกคนที่นี่เป็นนักบุญทั้งหมดถ้าไม่ใช่นักบุญก็ตัองคนอยู่ไม่ได้เพราะเขตนี้เป็นเขตบุญอันดับแรกเข้ามามีความเคารพในพุทธรูปก็เป็นบุญแล้วแลวก่อนจะเข้ามาตั้งใจคิดว่าวันนี้จะไปพบพระวันนี้ก็เป็นบุญแล้วจิตบุญมันก็เกิดแล้ว พอถึงแล้วเราจะทํา บ, บุญกับพระเราร squares, จถวายทั้งทางกับทางสังฆทานกับพระคิดว่ า, าจะถวายนี่มันได้แล้วเริ่มได้สินคนหนึ่งเขาถวายแล้วดีใจกับเขาด้วยเป็นปัจจานุโมทนาทำไมได้แล้วแล้วก็เราก็ถวายเองบ้างเราก็ได้อีกเราตั้งใจสมาทานศินเรามีศินอีกเราตั้งใจเจริญสมาธิเรามีสมาธิอีกเราตั้งใจเจ ร, ริญวิปัสสนาญาณมีวิัสสนาญาณอีกเป็นบุญทั้งหมด ตอนนี้ถ้าเวลากลับบ้านเราให้จิตใจบางวันโอกาสไม่มีมันจะบูชาพระไม่ทันหลับก่อนมีไหมชายาโรอันเหนื่อยใช่ไหมเท่าทีมากใหญ่ก็ตามวันทั้งวันเราต้องนึกถึงพระเคยนึกไหมต้องนึกนึกถึงพระบ้างนึกถึงความดีที่เราจะทําบ้างเวลาทํำไปแล้วบ้างบางทีก็นึกเมตตาในบุคคลนึกเมตตาในสัตว์ทั้งหมดนี่มันเป็นบุญทั้งหมดถ้าบังเองก่อนที่เราจะหลับ เป็นการบังเอิญเนี่ยเอาห น, อหน่อยๆไม่ต้องมกักนั่งบูชาพระไม่ไหวไอวันนี้มันเหนื่อยมากนอนดีกว่าก่อนจะนอนก็กราบๆว่ที่หมอนสามผลนึกถึงพระถ้าถ้าไม่มีพระพุทธรูปแล้วถ้ า, ถ า, ถ า, ถามีก็นึกถึงพระแดงแกราบสามครั้งแค่กราบสามครั้งด้มีมด้วยความรู้สึกมีความคารพด้วยก็นอนหลับไปเลยแล้วก็ไหลาตาย <c oughs> เอาง่ายๆนะ ถ้าไหลาตายแบบนี้อย่างเลวที่สุดเราก็ดึงแน่นอนเอาแค่นี้นะขอให้ยืนยันถ้าใครตายแล้วไปถึงเราดึงให้มาต่อ ว, ว่าฉันได้ไม่เชื่อลองตายสิอันนี้เป็นความจริงนึกถึงพระนึกถึงใครนึกถึงพระพุทธเจ้าเรานึกถึงด้วยความขอรบใช่มถด้ดูตัวอย่างพราจะกุนลีเทพบุตร เธ อ, อไม่ได้นึกถึงด้วยความเคารพเมื่อให้พระเจ้าต้องการมาช่วยเธอหายจากโรคไม่จะมีความเรื่องส่ใจอะไรอย่างเราพวกเรามีความเชื่อมีความเรื่องใส่รบูชามานานแล้วดีกว่ามากไมตใช่คนละเรื่เพยงแค่ป่วยหนักต้องการพระเจ้ามาช่วยหายป่วยเพราะพ่อแม่ไม่ช่วยเพีย <c oughs> งแค่ทางนี้ตายแล้วเขาอยู่บนหันท่านดาวดี มีมานทองคำเป็นที่อยู่มีเงินฟาหนึง่งพันจุบริวนันจะยิ่งไปกว่านั้นอาศัยที่ก่อนจะตายเขานึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนจะเป็นพุทธานุสติคนที่จะเป็พุทธานุสติในเกิดทุกชาติจะไม่พ้นพุทธศาสนาจะมีโอกาสทําบุญต่อเรื่อยเพะนั้นในฐานะที่เขาคิดถึงพระเจ้านิดหน่อยแค่ช่วยพ้นจากความทุกข์คือทุกขเวทนา แต่เขาไม่สามารถจะคนได้เขาต้องตายตายในขณะที่นึกถึงพระพุทธเจ <c oughs> ้าเหมือนกับที่พวกเราไหว้ที่หมอนนึกถึงพระเจ้านอนหลาตายเหมือนกันนะมันตายแบบมีความสุขใช่ไหมเมื่อ <c oughs> ก่อนนความจริงก็เป็นอะแยะไม่เลืกเองอ่ะเวลาไปเลรือถึงเขาโผถ้าเป็นธรรมะแล้วก็ไปที่นิยมกันถือว่าเป็นคนมีบุญ ถ้าจิตเขาไปบุญเนี่เขาไปสวรรค์แน่ถ้ากินเหล้ามาตายเนี่ยมันก็แย่งหอนกันนี่เปนรกนะตอนนี้มันกุฏิลีถ้าไปเป็นเทวดาแล้วต่อมาก็ฟังเทศเดี๋วพระเจ้าอีกจบเดียวเป็นบรรโสดาปันเห็นไสรุปความว่าการเจริญกรรมฐานขบันดาทจ้าพุทธบริษัทก็ค่อยๆทำค่อย้อนมาเวลารายเล็กน้อยนะค่อยๆทาอันดับแรก ก่จะทําอย่างอื่นทั้งหมดให้นึกถึงความตายไว้ก่อนจะว่าเป็นมรณานสุสติกรรมฐานเป็นเป็นกองหนึ่ ง, นงในสี่สิบกอง <c oughs> ว่าชีวิตของเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความตายที่สุดถ้าจงอยาบระมาดถนะ้ชีวิตคิดว่าเรายังแก่ไม่พอบ้างยังไม่แก่บ้างยังไม่หนุ่มไม่สาวบ้างเรายังไม่ตายอย่างนี้ไม่ถูก ให้มีความรู้สึกว่าความตายไม่มีนิ่ไม่เครื่องหมายถึงเวลาเมาไรมันก็ตายมานั้นมาตจอเราห้ามมันไม่ได้เมื่อคิดถึงความตายก็นึกถึงความดีเอาเป็นที่พึ่งไปก่อนค้อหนึ่งนึกถึงพระพุทธเจ้าสองนึกถึงพระธรรมสามนึกถึงพระอริยสงฆ์อย่างนี้ก็ได้นี่ก็ดีถ้านึกอย่างนี้มันเป็นก็ปุกพระที่คอคนใส่สร้อยแล้วก็มีพระถูกไหม จิตพรมาระาศานาตั้งนโมตั้งนโมตจสาชะนโมนะครับเลยขอขอไหว้พระพุทธเจ้าธรรมะการพระพุทธเจ้าไม่ ว, ว่าพุะธรรมธรรมขังจะนิชใช้ได้เลยเป็นการนึกถึงพระสงฆ์ไม่ว่าถือว่าการนึกถึงพระแบบนั้นจะคิดว่าขอต้องการอะไรก็าตามเถอะเป็นการนึกถึงพระแน่นอนอันดับแรกก็นึกถึงความตายอัดนดับที่สองนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงว่าธรรมนึกถึงพระอริยสง การนึกถึงพระทั้งสามรายการนี้สามอย่างนี้จะทำให้เราไม่ลงนรก <c oughs> แต่ความมั่นคงก็ยังไม่ดีนักถ้าต้องการให้มีความมั่นคงจริงๆไม่ลงนรกแน่นอนทุกชาติก็คือรักษาชิ้นห้าบริสุทธิ์ <c oughs> ในเมื่อนึกถึงความตายได้นึกถึงพระเจ้าพระธรรมสู์ได้นึกถึงส่งสินได้ก็ตั้งอารมณ์ไม่โดยเฉพาะในพระนิพพาน ให้มีความเข้าใจตามความเปจริงว่าร่างกายของเรามีสภาพไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไปนัดตายนัดตายของมันมันจะสลายตัวในทีส่สุดให้ถือว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ถึงเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็นเรื่องร่างที่อาศัยเจ้าคราไม่ช้ามันก็ตายถ้ามันตายเมื่อไหร่ก็จเรื่องร่างกายเ ร, เร็วอย่างนี้เราก็ต้องการกเราต้องการนิพพ า, า, านจบเดียว ถ้าคิดอย่างนี้ทุกวันเนี่ยเวลาที่ป่วยหนักใกล้าตายต้องถามใาจาข้างหลังร่นมันจะตายมาเร็วๆไม่กี่วันไม่นเนี่ยอารมณ์ทั้งหมดที่คิดวันเล็กวน้อยมันจะรวมตัวเพื่อนิพานโดยตรงมันจะวางเฉยทั้งหมดการที่จะไปนิพานได้จริงอารมณ์จิตมันจะวางเฉยในทรัพย์สินต่างๆทั้งหมดแต่ที่เราป่วยไรนาซาโตบ้านช่องทรัพย์สินต่าง ม, มันก็เฉยเมยไม่ไม่ไมสนใจ จิตมันเฉยเมยลตรงก่อเฉพาะพระพุทธเจ้ า, าโดยเฉพาะหรือว่าทำประสงค์โก็ได้นะ <c oughs> ตามใจชอบแต่มันจะไม่สนใจกับทรัพย์สินไม่สนใจกับร่างกายถ้าร่างกายจะตายก็เสียใจเราจะปานิพันธ์เพียงเท่านี้บรรดาจะพุทโธสะสมฝึกไว้ทุกวันนะที่เวลากล้จาะตายเมื่ไรปา น, นิพันธ์เมื่อนั้นเมื่อปานิพันธ์ก็จบกันทีนะเฮ้คอมันแห้งจริงเชือเหมโคตรหน้าโคจะแย่ ตอนนี้ไปคุณบดาญาติโยมพุทธบรสตรีหลายต่างใจจะมาทางเส้นสมาทานมรตกฐาน